ด, ด, ดิน้ำไฟลมซักเป็นรูปธาตุย่นลงมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซักย่นลงมาเป็นสองก็คือกายกับใจย่นลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจย่นลงมาเป็นหนึ่งอีกก็คือเอกะสังขารในปัจจุบัน สังขาราปรมาทถุขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเห็นตามเป็นจริงอย่างยิ่งด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงอย่างยิ่งด้วยพ้นความสงสัยให้ตามเป็นจริงอย่างยิ่งด้วยทัศนนุตริยะเห็นเยี่ยม ปฏิบัานุตรีย์ปฏิบัติเยี่ยมวิมุตตานุตริยะพ้นเยี่ยมพ้นจากความหลงของเจ้าตัวซะไปเป็นตอนตอนเป็นเอกเทศทูปฏิปันโนพ้นจากความหลงของตนเป็นเอกเทศสามีกิพ้นโดยสิ้นเชิงเลยไม่มีปัญหา ทำไมจึงมีปัญหามากกิเลสมากปัญหาก็ต้องมากสิความสงสัยมากปัญหาก็ต้องมากความไม่สงสัยมากปัญหาก็ไม่มากนั่นนัตถิโลเกระโหนามะความรับไม่ไม่ในโลกเกิดแก่เก็บตายอย่างผึงผาย ก็เห็นอย่างพึงผายไม่มีรี้ลับนักธิวเกแล้วหัวหน้าความนับมันไม่มีหรอกใจมันรู้อะไรมันก็รู้มันอยู่มันไม่รู้อะไรมันก็ก็รู้มันอยู่เรียกว่าไม่มีความลับนอกจากใจไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะหลงใจ ถ้าหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนใดก็รู้เท่าทำตอนนั้นทีนี่พี่น้องมาจากที่ไหนก็มาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองเราจะเข้าใจว่าคนมากมันไม่มากผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพียงเขาโคเท่านั้น เหลือนอกจากนั้นมันไปทางไหนทำไมจึงมีผู้เคารพพระพุทธศาสนาน้อยนักพระพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐานะคนขี้มูราขี้ม้าแห้งจะมายินดีนับถือพระไม่สมฐานะพระพุทธศาสนามันก็ไม่เคารพสินะัก ทำในพระพุทธศาสนาเป็นไงมากแต่ย่นลงสั้นก็มีอันเดียวมีมากก็มากออกไปจากอันเดียวย่นลงมาก็ย่นลงมาหาอันเดียวย่นลงมาหาลักหน่วยซะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย่นลงมาเเอกหาเอกะนิบาศ ท, ทำอันเมบทเดียวอยู่ที่จิตใจ สยินมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวเหลือนอกนั้นมันเป็นนิทานศินห้าถ้าหมาย่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวรวมลงอยู่ที่ใจในปัจจุบันนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นคือใจนี่คือใจเพราะใจเป็นผู้วัานั่นว่านี่ พระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดมุ้งยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครรกราวชาวพุทธกรรมอันไม่บดิสุดจะตามถึงตลอดกาลนานแลพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่หัวใจแล้วไส กฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็มดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่นนันนนคนมากๆอย่างนี้เราจะอะไรมาปกครองกันมันจริงจะอยู่ถ้าเอากำปั้นมาปกครองกันกำปั้นเขาก็มี ถ้าจะเอาอาวุธมาพกครองกันอาวุธเขาก็มีถ้าไปชกต่อยเขาลูกหลานเหรียญเขาก็มีนะทําเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้คือให้ดิความละอายต่อบาปโตปะ ความสนุ่กลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองลงได้ไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมานูเอ็มสิบหกเอ็มสามสิบสองนั่นคําสอนพระพุทธศาสนาถ้ามันมียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วจะอะไรมาปกครองกันอยู่นั่นพระพุทธศาสนาสอนแล้วให้ลดตําแหน่งกิเลส จ, จึงจะปกครองกันอยู่ได้ ลดาแเนีงลงให้ละอายต่อบาปให้กลัวต่อบาปถ้าไม่ลดตําแเนีงปกครองกันไม่อยู่นะเราไปอาบน้าลดาแเนีงความสกรปรกเรารักษาศีลทำปฏิบัติธรรมลดจำเนีงกิเลสนะใครจะปกครองกันไปด้วยวิธีไหนก็ตามเถิดถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว ก็ดหมายก็ดหมูกด พ, พักกดพวกก็ตัง้งมาอยู่อูของทำไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับพระพุทธศาสนาทุกๆพระองค์มากกว่าร้อยโกธอเนกาสะตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกด มาในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีร่วมก่อนหน้าก็ดีจะมาในข้างหน้าก็ดีมีคำสอนอันเดียวเป็นพรบอันเดียวกันเมื่อได้รบร้างพรบกันเลยนั่นเพราะมันถูกแล้วมันเป็นมหาธรรมาธิปไตยไม่ใช่ไปคาธิปไตยไม่ใช่อัตาตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่พระพุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปไตย ประชาชนจะพร้อมกันสักอย่างไหนก็าตามถ้ามันไม่ถูกศีลธรรมท่านก็ไม่เอานช่างไม้ข่างก่อสร้างจะทิ้งดิงไม่ได้จะทิ้งเครื่องตวงไม่ได้ทิ้งและดับหน้าไม่ได้ ฉันใดก็ดีนะักกฎหมายกฎหมู่ ก, ก็ทักกัดพวกจะทิ้งคาําสอนพระพุทธศาสนามันก็เหลิงเจอนั่นนั่นนั่นมันไม่มีแวน่นมันเข้าข้างตัวมันตั้งกฎหมายเข้าข้างทักข้างพวกของตัวมันก็ไปไม่รอดนั่นนั่นนั่นนั่นพระพุทธเจ้าเคารพทำเอาทำเป็นแวน่นเป็นกระจกเงาเอาเป็นดิ่งเอาเป็นระดับน้ําเหตุฉะนั้นจึงเคารพทำ ถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาก็ไม่ได้เขารพธรรมก็ไม่ได้รับถือธรรมท ำ, ทำมีอยู่ก่อนแล้วพระบรมศาสดาจึงมารู้ธรรมพวกชาวโลกทางหลายเข้าใจว่าตนอยู่เหนือธรรมเสียแล้วอันนี้จังเอ๋ยนั่นขว่างป่าคอนข้ามมะม่วง ไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาอวดดีมีน้ำซ้ำเอาพระพุทธศาสนาไปขึ้นสเตจชกมวยกับศาสนาอื่นมันบ้าจริงๆ <c oughs> เอาพระพุทธศาสนาไปขึ้นสเตจชกมวยกับรัฐที่อื่นๆมันก็เท่ากันกับ เอาเม็ดพันธ ก, กาศไปเทียบกับภูเขาหิมาลายงันมันก็เป็นกองทัพน้ําลายบ้วนขึ้นฟ้านั่นนั่น น, นเป็นค้อนคว้างปลาใส่ต้นเสาขวางไกลมันไม่ถูกขวางใกล้นักมวยเอกก็หลบไม่ทันถูกไหมควางไกลมันไม่ถึงนั่นสิออ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธ จะพิจารณาทั้งนั้นชาวพุทธไม่พิจรารณาบุญกรรมกรรมและผลของกรรมบุญและผลของบุญชาวพุทธไม่พิจรารณาธรรมะจะให้ผีตัวไหนมาพิจรารณาเล่านั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจกับผู้ฟังและผู้พูดนั่น นั่นออกไปนอกมันก็มาไปมั น, ม, นมันก็นั่นเข้ามาหาผู้พูดกับผู้ฟังนั่นเองน่กมีอย่างกะเฮ็ดะ้าหน่อยว่าหรือสุดผูเป็นได้โอนขึ้นพระนิพานเลยไม่ได้กัดตุ้นไห้ นภตะกัปโตะยะภูริสุมุส ขาเจ้ามันจะืลืมเี่อันนี้ถาข้าเจ้าหลับเปียก ย, ยวดหมดวะมันเคยลืมแน่เนาะข้ามลืมนะข้าเจ้วาวระกาศทามเอาไนดะ้ข้าเจ้จาจะตายเอาถาดไหมขนน้อยที่ไม่รักสิงกับวระกาว่าดิ แล้วมันเคยมานะฮะแล้วผ totally ok ู้าเวมาคนที่กองแล้วผู้ว่าเขียวมาพระเรุปังปฏิมาครังพุทโธตัโมสังโฆวุทโธ ตัวตัันบ่เอะหยจับหซตัวแน่นบ่หวอาวใช่ไหมเน่ันหาจับซบ่น แมรดาฮอเตเกียบักโคตรโลดบักนาบมุ้งไมีแก่สันเมดาคันดดาฮดาบักนาโคตรโลดบักนาบุ้ยมุ้งไม่แก่มัดเยง่งขนาดันดาแล้วมันแนมฮ่องดียเท้าเขียบมดยงขนาดเมดาฮ่งต้กี บักนาโควรโรดบักนาไม่มุ่งไม่เกลี่ยวะสิจะมาเชียรหลายตัวอหอไฮซับไซื้อตัวแมน่เออฮะเฉียนไทยเฉียนไท่นัน่งซื้อวัดอ๋อนั่งซอบไปเองวา มามาเอาจามาเออเออมาอามาเนาะเรื <m í toys> ่องไปมาเห็นหงเงี้แล้วเนาะเจิมรถก็เจิมใจกับของกันแล้วครับเหีมันดี แม้ที่จักขีดแงเรี่ยงยงอันไปจำหลอดไปซึ่งจำไม่ถงสิบวจักขี่แงเรี <laughs> กก เ, รเกิมใจจะของอันพุทธโธธรมโอสังโฆอ่เ <laughs> <laughs> นียเนี่ยน้ำข้าวเหลาแ ล, วล้ว <laughs> อันไหนเนาะโอ้เรื่อมไปเ <laughs> ทเรประมามหาเทเรปะมาเดนะ หมายความว่าพระมหาเถระชั้นที่หนึ่งคือพระสมานเจพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองคือพระพระเจกทั้งหลายชั้นที่สามพระลหันตาชีนาศกทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสัคาคามีทั้งหลายชั้นที่หกพระโสดาบันพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้และ เมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามวิีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พวกวันก่อนก็นดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีด้วยเดชพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอดโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในพระพุทธศาสนาจนถึงที่สุดทุกอยชอบอยู่ทุกเมื่อเทิน ในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันมาแต่ในพบก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเร า, ท, ท, า, ท, ท, นนาทั้งทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่วทางไตโลกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลทุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบาวาราพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเทินห้งตุมเห่หิปิเมความนี้ตามวางยัตสาปปังกะตังกัมมังกุตะเลนะเปหียตีโศมังโลกังบพาเสติอภุมตุตโตวชันเทมาอภิวาธนสีริสานิ จ, จังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันูสุขังพะลัง ปลดเวรไยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสียงไม่มีเวรไม่มีภัยก็คือเสียงขอขมาโทษกันเสียงปล่อยเวรไภคำสอนใดใดในใตโลกธาร เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเข้มทิศจะมีกี่ล้านลานก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดๆในใตโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้มันเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะเลยเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำานึงได้หลายทางน้าห้วยหนองคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใด ค ำ, คำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เมื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้แล้วมันลึกเพียงไหนล่ะนั่นนั่นั่นนั่ น, น, น, น, น คำสอนพระพุทธศาสนาะเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิอมายมุกเป็นมนุษย์วิบัติเต็มภูมิถ้าเป็นมนุษย์วิบัติเต็มภูมิแล้วก็เป็นสวรรค์วิบัติเต็มภูมิก็เป็นพรหมวิบัติเต็มภูมิก็เป็นพระนิพพานวิบัติเต็มภูมิไม่ต้องสงสัยเลยนะนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้พูดและผู้ฟัง ถ้าเว้นจากอบายมุกแล้วทุกประเภทอะก็คือมนุษย์สมบัตินั่นเองก็คือสวรรค์สมบัตินั่นเองก็คือพรหมสมบัตินั่นเองก็คือพระนิพพานสมบัตินั่นเองนั่นนั่นนั่นนันไม่สงสัยเลยเพราะเกรงมันจะสายเกรงมันจะบายเกรงมันจะค่ําบายก็คือเก่ค่ําก็คือตายทิ้งนัน ของทางนี้ไม่มองเห็นความชิบหายแล้วช่ไหนจะไปมาผลนิพพานได้มันไก ล, ลรทธิ์ดีฤทิบรีเลยอ น, นิีจ่าเอ๋ยงั้นใครสอนในใจโลกธาตุเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวัสด์เต็มภูมิสอนพรหมเต็มภูมิสอนพระนิพพานเต็มภูมิไม่ให้พระเป็นการวานการเมือง ถ้าพราะไม่สอนว่านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเอานั่นไม่บัญญตัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น <c oughs> ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั่นพระบรมศาสลาตั้งไว้แล้วทัพย์ถังสภัญชณฉนังเกวรปริค น, นงังบริสุธ์ทางพระมรรยาะการเสด็จบริบูรณ์แล้วทั้งอัตถะ ทั้งพยัญชนะสิ้นเชิงตามมหาพระควาตังคอริูติยาไนะครับตามมหาพระความตังตศิลปสารนามาี้จึงยอมกราบไหว้เมื่อได้กราบไหว้แบบโ ง, โง่ๆนั่นขอความเป็นธรรมด้วยขอจากศาสนาไหนขอความเป็นธรรมก็ขอจากศาสานาพุทธสิถ้าขอความเป็นธรรมไม่ได้จะขอ กับใครก็ขอกับเราเราทำให้เป็นธรรมแล้วก็ไม่ต้องขอกับใครนั่นนะั่นะถูกไหมเราได้ของดีแล้วอย่าเป็นไก่แก่กับพรอยไก่แก่ตัวหนึ่งคณะคุย้ยเขียหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากก็พูดเป ร, เรย์ๆขึ้นว่าถ้าจะของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าวเช่นนี้เขาคงจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเวนรจำเดิมนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราสู้แต่เข้าสู่ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆนี่ทานเรื่องนี้สอนให้ลูกว่าของที่ดีก็มีแก่ประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ฉันใดก็ดีพวกเรามาพราพระพุทธศาสนาเนี่ย ก็เลยไปในแปลงอื่นๆซะนะได้ดีพอแล้วได้เสื้อใหญ่ปกหลังแล้วคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะไปหาที่ไหนเจอแล้วพบแล้วเจอแล้ว สณนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสนานะของเรานัทถิเมสรังอันยังพูดไม่มีสัตว์พูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่รักษาความสัตว์ของตนนั่นะบ้าจริงจริงยังกินจิรัตนางโรเกวิจติวิวิธทางพุทโธรัตนางพุทธะสมานนัติ ตัดชมาโซดที่พวันตัวเตระรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนั่นนั่นน่นนั่นั่น่นยาโอสถอันใดในตจโลกธาตุไม่เท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาะ พระพุทธศาสนาเป็นเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอโรงพยาบาลศรีธัญญาในไตโรคธาติเนี่ยมันมีแต่ผีบ้า พระบ้าโลคบ้าโกรธบ้าหลงพระพุทธศาสนาก็เลยมาเป็นคุณหมอให้รักษาบ้าพระทหัรรักษาบ้าหายแล้วพระโสราวันรักษาบ้าหายเป็นเอกเทศพระสกทาคารีก็เป็นเอกเทศพระนาคามีก็เป็นเอกเทศพระทหารรักษาบ้าจบแล้วหายบ้าแล้วไม่มาเป็นบ้าเกิดแก่เก็บตายในวัดตาสงสารเอกไม่ไม่มาเป็นบ้ากินบ้าขี้ อยู่เหมือนพวกเราพวกเรามันเป็นบ้ากินบ้าขี้อยู่นี่เหตาฉะนั้นจึงจะมาลดตำแหน่งจะมาปลดบ้าออกพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเรียนให้หายบ้านันนั่นนั่นนั่ น, น, นคนเราใจถึงทุกทุกท่าน ใจถึงในทางดีแมลงวันมันก็บอกว่ามันใจถึงเหมือนกันแต่มันกินมูดพูดแมลงพึ่งมันก็บอกว่ามันใจถึงเหมือนกันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันเหมือนกันแต่มันกินเกสรดอกไม้เมลแงวันมันก็บอกว่าประชาชิปไตยของมันแต่มันกินขี้เข้าใจไหมนั่นมันก็บอกว่าโรคทิพย์ของมันมูรากมากมูราก หมูมากลากไปมันก็บอกว่าประชาธิปฏายข้อมันแมลงผู้เมลียงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิทปไตยข้อมันนางงามในพระพุทธศาสนาชายงามพระพุทธศาสนาชั้นที่หนึ่งมนิยมชั้นวั น, นะมนิยมตระกูลคือพระรหันชายงามนางงามชั้นที่สองคือสกท า, าคือพระอนาคามีชายงามนางงาม ลงมาอีกคือพระสกทาคำนี้นายงามชายงามนางงามลงมาอีกคือพระโสดาบันชายานางงามนางงามของพวกเราหนุ่นมน้อยหอมน้อยนานไปเข้ามันจะนิยมกันว่าเปลือยกายเหมือนสุนัขจะดีมันก็จะนิยมกันไปครับ น, นั่นเองนะั่นเห็นไหมงั้นพ่อแม่ลําบากเป็นคนแท่นโดดมากน้อยผ้าก็ไม่ต้องนุ่งออ มันจะนิยมกันไปอีกแล้วเนี่ยนั่นนั่นนั่นลัทธิผีบ้าเราก็เป็นบ้าเหมือนกันละ่ะเราเป็นบ้าพูดเราเบกโลกบ้าพูดภิกษุเพึ่งทำความศึกษาว่าเราจักนุ่งให้เรียบร้อย เราจะขผมให้เรียบร้อยนุ่งให้เรียบร้อยหอมให้เรียบร้อยคื อ, อยังไงนุ่งสบงข้างข้างท า, างสูงนั่นนัาจะดูทางล่างเพียงครึ่งแค่เรียกว่าปริมณฑลน่ะพระมรมสาราีาเสียเปรียบเสียเปรียบเขาเราเป็นชาวพุทธจริงๆไปเอาลามกมาใส่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเออ เสียเปียเสียปียบเสียเปียเสียเปียบชาวเราเป็นชาวพุทธชาวมันสูงกว่าเขาชาวพุทธบัญญัติอะไรทำอะไรไม่มองดูพระพุทธศาสนาเอาเป็นเวนดวงใจดวงธรรมมันไปไม่รอดเนอชาวโลกเอ๋ยเออไปไม่รอด มันบานหน้าบานหน้าทางเสือ่อไม่ใช่บานหน้าทางเจริญผู้ที่เขาถือว่าไม่มีบาปไ ม, ม่บุญเขาไปได้ไหมนั่นนั่นัน่นแตกก็เจิงแล้วนั่นพอรู้ตัวก็สายบ่ายค่ำไปซะไม่มีทุนต่อสู้นั่นนั่น น, นักรรมและผลของตํามมันมี สารใต่สวนสารตัดสินจะตัดถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นปัญหาผลของกรรมยังมีอยู่ข้างหลังอกีกตามเธอไปอยู่ทุกอิริยาบถกรรมใดใครก่อก็คือมโนกรรมนั่นเองก่อขึ้นนั่นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ก่อขึ้น พระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนสร้างขึ้นความดีความชัว่วพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นเราตถาคตสอนพวกเธอจะทำแทนพวกเธอไม่ได้หิวนอนก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่มเองเราเป็นเพียงชี้บอกมนทางให้พวกเธอเท่านั้นถ้าความดีในพวกเธอไม่มี พระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นเราตถาคตสอนพวกเธอจะทำแทนพวกเธอไม่ได้หิวนอนก็ต้องนอนเองหิวน้าก็ต้องดื่มเองเราเป็นเพียงขี้บอกหนทางให้พวกเธอเท่านั้นถ้าความดีในพวกเธอไม่มีเราก็ไม่สามารถจะบอกพวกเธอได้นั้นความดีของพวกเธอมีอยู่ แต่เป็นเพียงไม่รู้จักเอาไมา้ใช้เฉยๆเราจึงบอกกายของพวกเธอนั้นอย่าไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเน้อนั่นพระบรมศาสด า, ศาใจของพวกเธอนั้นอย่าให้มีกามวิวตกเกินไปเน้ออย่าให้มีพยาบาทวิตกเกินไปอย่าให้มีวิหิงสาวิตกความเบียดเบียนจงทําให้เพนาศจ้ะนั่น มันจะไม่มั่ยมอนพวกเธอนั่นเองเพราะพวกเธอสร้างขึ้นพญายมก็ไม่ได้สร้างขึ้นนรกพวกเธอนั่นเองสร้างขึ้นเองพระผู้เป็นเจ้าของพวกเธอนั่นเองสร้างขึ้นนั่นนั่นนั่นนั่นพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะทำความดีได้ไม่ใช่พวกเธอจะมีสิทธิ์แต่ทำความชั่วได้ใช่ไหมอระบรมศาลา ที่นี่ด้านปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสกรนกายของพวกเธอเพื่อบรรเทาราคะมีแต่สิ่งที่สกกระปกโสมมแม่ตาสาคดก็เหมือนกันของดีฉันของกระผมไม่สกรปรกหรอกครับหอมเหมือนไ้เป็ดทำไมไม่ไปเถียงนั้น น, นั่นทำชั้นต่ำๆเน้อเน้อชั้นสูงยังสอนไปกว่านี้ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารสร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วไม่ได้สอนอย่างนี้สอนแน่พิจณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยนี่หมายความว่า่อสรากาขอสราขานพวกที่บา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วเพลงใส่วิปัสสนาธุระเลยนัก บันทิตโตคารมาวะสังบันทิตเป็นผู้ครองเลือนถ้าบันทิตไม่ครองเลือนจะให้ผีตัวไหนครองบันทิตบัณฑิตตัวธอนางมณโทอ่านเป็นบันดิตก็มีอ่านเป็นบันทิตก็มีผู้มีสินห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากล่องละเมิดสินห้าพระสวสดา์วันไม่เสียดายอยากเล่นอบายามุก ไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเลยสิ่งใดไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจ ทำไมจึงไม่เสียดายอยากล่องละเมิดเพราะเห็นว่ามันเป็นโทษจริงๆไม่ใช่ยาพิษเคลือบน้าตาลยาพิษตรงตุ้งอบายามุกเป็นยาพิษตรงต้งไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศินห้าถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันเป็นพระโสดันโสดานะ โสขาดคดีนั่นถ้าชาวพุทธไม่แสวงอยากเป็นพระสสดาบันไม่แสวงปฏิบัติธรรมะแต่ตำประหาสูงจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติ น, นันนถ้าหากว่าสินห้ามันพาให้อดถ้าอยากตายพระบรมศาสดาก็เป็นคนโง่มาสอนี่้คนอดคนอยากตายนั่นนั่นนั่น นั่นนีเลยนะสุขติมันติผู้จะเป็นสุขก็เพราะศีลศีเลยนะโพคสัมปทาผู้จะมีโภคสมบัติในทางบริสุทธิ์ทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติก็เพราะศีลผู้จะไปถึงพระนพานก็พระศีล น, นั่นศีเลยนะนี้พุทธิมันติตัตมาศีลังวิโสทะเย่นั่นนั่น มีคำสอนพระบรมศาสดาถ้าเป็นอาหารก็ไม่บูดเปิดดูเวลาไหนก็ไม่บูดเลยถ้าเป็นทุนทางก็ไม่รกเตียนอยู่เสมอๆถ้าเทียบใจทุนทางพวกเราควรสนใจสนใจในทรรมชนะความสนใจทั้งปวงยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะจิตเดียวยังยินดียังดีกว่า ยินดีอันอื่นล้านล้านคณะกิตนั่นนั่นนั่นนั่นเรื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงคณาจิตเดียวยังยินดียังดีกว่าเลื่อมใสในทางอื่นวัตถุนิยมพระองค์ก็สอนในพวกเราแล้วอุดมคติพระบรมศาสตาก็สอนในพวกเราแล้วทางไปมาพุทธิพานก็สอนให้พวกเราแล้วจึงยอมเข้าสู่พระนิพพานข้าไปเก้าเราทั thagot ได้สอนให้พวกเธอทั้งหลายแลย้ว ไม่มีสิ่งที่จะเป็นปิดบังเลยเราจะถาคตจะลาพวกท่านไปละนันะอย่ามาหวังอะไรกับเราอีกเลยคำสอนแต่ละบทละบาทนั่นเองจะเป็นศาสนราแทนเราจะถาคตเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทนั่นนะันะนะนี่พูดก็หมูก็พูดมากถ้าพูดแต่เราคนเดียวเราไม่พิจารณายาก อดีอตคืออะไรคือทุกที่ล่วงไปอนาคตคือทุกที่ยังมาถึงปัจจุบันคือทุกที่กําลังอยู่เป็นอยู่อดีตคือ อ, อะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เป็นแตรสักว่ารู้เท่านั้นเพื่อให้ถอนอุปาทานในธรรมอันขั้นสูงพูดกับหมู่ก็เพื่อนก็พูดว่าเพราะโอหารโวหารก็หารลงถึงใจถึงเอกนิบาตถึง ใ, ง ใ, นใจนั่น มากก็มากออกกากไก่น้อยก็น้อยลงมาหาไกา่เพราะใจเป็นผู้ทำมากเพราะใจเป็นผู้ทำให้ไม่น้อยบุญก็บุญใจทำบุญฉลองอายุก็คืออายุของบุญนั่นเองทำบาปฉลองอายุก็อายุของบาปนั่นเองทำบาปก็ไปฉลองบาปอยู่ที่ใกล้ทำบุญก็ไปฉลองบุญอยู่ที่ใกล้พ้นใจกิเลกก็ไปฉลองใจอยู่ไมมีกิเลสนักนักทำอะไรมันฉลองอยู่ในตัวแล้ว อริยะรรมที่ตัว น, นโาโถอริยธรรมคือทำอนันต์เสด็จอยู่ที่นอนชนนั่นนั่น น, น, น, น, น, น, นอกจากใจไม่มีอันไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจทําเป็นที่พึ่งของทมก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นนัพุทธ ที่ย่นย่ น, ยนคําสอนพระพุทธศาสนาลงมาเป็นหนึ่งใช่ไหยจงทํำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยของพระธรรมทั้งหลายด้วยของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายด้วยทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคต ด, ด้วยทั้งปัจจุบันด้วยนั่นนั่นพระพุทธเจ้าอดีตก็สอนอย่างนั้น ร่วงไปแล้วอนาคตก็จะมาสอนอันเดียวกันไม่ต้องสงสัยเลื่อมใสพระโคดมก็เท่ากับว่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันนักนัดนัดให้ทานรักษาศีลภาวนาในศาสนาพุทธพระโคดมก็เท่ากับว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนๆหรือจะมาในข้างหน้าเพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันไม่แข่งดีแข่งเด่นกันเลย บางท่านบอกว่าทำหรูหราาเกินไปหลวงปู่คนนี้เปลืองมากอือเราขอตอบเราไม่ได้แผะเราไม่ได้ขอเราไม่ได้เรีย อ, อะไรใหญ่เราก็ทำสิเราไม่ได้มีซองขาวซองเขียวนะ หน้าน่าวิสาขาส่างวัดมุพพารามมัดยี่สิบเก้าโกดกระเป๋าเดียวเด้วนี่ยี่สิบเก้าโกดโกดหนึ่งมันสิบล้านมันจ้งเป็นโกดเเอาสิบปคูณยี่สิบเก้ามสบเก้าเก้าสิบ ชิปนึงเป็นชิเป็นเก้าชิปยี่เนี้ชิปก้าโกดโอ้ยี่เก้าโกดแหมชิ9เก้าเก้าิปสยี่เนี้1ิเก้าอ้สองเกาิปล้านนั่นนั่นนั่นเท่าสิประมาณเท่าสิประมาณข่าพระพุทธเจ้าบอก สองห้องเตา้าเจ้าคํามตานตั้งแทงเหมือนตัวยอดซอฟาพี่ลาเกวน้อยนิดนมันตัวนั่นเขาะะปรีมาประมาณขังของพุทธเจ้าอะาาฮะว่านะไรก่บอบ่อวารปมัน้อเ่อน่าท้าพินทีเกษตรีนสร้างปาะเขตสร้ า, าง วัดเทดกตะวันมหาวิหารสี่สิบห้าโกดสี่สิบหโกดกระเป๋าเดียวเลยเนี่ออยไม่ได้แพรไม่ได้ขอใส่เลยเนี่ยไม่ได้จัดการจัดง่ายคือในวัดเนี่ยเนี่ยสี่สิบห้าโกดอ๋อสิบห้าสิบสิบสี่สี่สิบสี่สิบห้าเอสี่ร้อยห้าสิบโกดกระเป๋าเดียวเอานั่นนั่นนั่นนั่นห้องจีปมาดประคัะงพุทธการ เข้าวพระองค์เจ้าแสดงงี้ว่าปฏิหารร่าพระองค์เจ้าหลายเมื่อขึ้นในใจโลกธาตุสังหารี่มาทรัพย์ก็ดีอสังหารี่มาทรัพย์ก็ดีมันเป็นเมื่อขืนของพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่ในตัวทรัพย์ในใจโลกธาตุไม่เท่าพระพุทธศาสนาพระบรมศาสน า, า, าปฏิยืนยันแล้วในพระไตรปิฎกเข้าไปเห็น เดียวนี่นในไตรโลกธาตเนี่ยมันเป็นเศษกระดาษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอระม้าคือนำไล่เพิ่นชมสิมแล้วเพินเ่นว่ามาเป็นคู่ญาติกับเข้าเพิ่นไปแล้วมิจฉาภูเขาเนี่ะจกตากันอยูง่งย่ากันยุนยนนะ่งญาตินําล่เพิ่นญาติขี่เพิ่นในไตรโลกทาตเนี่ยเพิ่นขามไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายมากกว่าแม่ทิ้งแม่ชายเนี่ยท่องมหาสมุทรสี่มหาสมุทร คำนึงสีเขาเอามานับมึงรู้มดมือมันสิไวบอกนับเม็ดนึงกเ็เป็นเป็นพาระอรหันต์องค์ง ห, หนึ่งแล้ากำหนึงสีเขากระนับไปหมดได้ซมหาสมุทรทิ่หลายประเทศนั่นถึงป่านนั่นกันยั่งได้เพียงเขาง่อนนยส่วนขนง่วงฝากไว้พระพุทธเจ้าองค์อื่นไปอีกนักพระพวกพุทธเจ้ามา ก, กาล้วยโปรตพระพุทธเจ้าฝากไว้องนั้นไดะพวกนี้ได้ยังไมีพระพุทธเจ้าเนือง ขั้นนี้สิปฏิบัติ อ, นนอย่างไรไปอกขันนี้จะให้ให <laughs> ้กันไรวันี้เห็นจะไรวันี้มันเมื่ อ, อยเราได้ยิม น, <laughs> ยนมัอไประยัดสต่อเนาะห้างคนพ่งอ่หออ๋แล้วก็นอะเนาะให้พ่อนเนาะ ผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้ขันผู้ใดอยากพ้นทุกข์ผู้ใดอยากพ้นทุกข์ไม่อยากมาเกิดแก่เจ็บตายอีกอยากพ้นในชาตินี่ให้พระวนาอันนี้จังทุกขั้งอานาตาพร้อมกขาล้มหายใจเขาออกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บคุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตวไม่ใช่บคุคคลทุงพน้นทุกข์ในปัจจุบันนี้าตต้องปฏิบัติยังสัน้น สังขารโลกโลกคือสังขารสัรโลกโลกคือมูสัตว์อกาสโลกนนนในใโลกคือประเด็ในไตโลกธาตุนี่ยมีตะกองทุกขันมีสุกจะทอมีง่านี่พระหันก็ไปไ่ได้วิญญาณปฏิสัตย์จะไปตั้งด้วยไดหนันนัก น, นักนักม่นายนายโลกกับนายครอบหลงจากของไไปนายโลกเฮ็ดยังได้เอาจกมาเช่าคุดเสมอกานายควอบหลงจากของเลยตัว เพราะว่านายตาได้หั ว, ออวท่านนายตาเอาขวดชิมบ่เหลี ว, วนายผููไปหลงตาว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซัดเป็นบุกข้นภูรกน้นไหมวะไอ้ฉันภาวนามันไม่ข้ามเวทนาเจ้าข้าจะทํายังไงหลวงปู่เออถ้าสําคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้สิ ถ้าไม่สำคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องทำพิธีเราพูดอย่างนี้จะทำยังไงมันก็ไม่ว่างถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตมันก็ไม่ว่างสิถ้าสำคัญว่าจิตเป็นศัศว่าจิตผู้รู้เป็นทศวรรษผู้รู้มันก็ว่างไปในตัวไม่ด้ทํากิริยาอี ก, น, กอนั่นละนี่สาหรับคนสันสูง นทาวันพุลาภริยันติสังขลเอวามวายทนัพตางปกะปติคชิตัวตัตหังมีวาเพฆนตุสังาวรพพะทะโยสมาเตวนธายโขีติขาโพระอภวาสนสีสานิจังมุตาปชาโยนุจตารูธรรมะวัจนติราโยนุสุขังฝั่ง พวกแบกกดพ่ายมุ่งบ่หวังพ้นทุกข์ในวตาสงสารมันบ่าสมเกียรติตีนบาดไปไพ่เว้ยพี่น้องเลยฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเ้นะมานั่งนี่เดี๋ยวเขาจะว่าพระนิกรมานั่งนี่พะนี่เอ้พูะท่ายมานั่งนี่พูดนึงอ่เออืนะ่ะ อาท่านผูดด้ใดอยากได้หนังสือก็คอยเอาเนอถ้าไม่อยากได้ก็ไปซะนาคามีชั้นที่ห้าพระจ้าตาคามีชั้นที่หกพระโสดาวันเมื่อมาพวกเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามมจีกรรมสีมโนกรรมสารรม 3. อันใดอันหนึ่งก็ดีด้วยพระเทนะทั้งหลายเหล่านี้จงสโศทุกข์ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกวัไ น, ไ, นไม่มีประมาณ ขอให้พวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบนวรพระพุทธศาสนาของพระบรมพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปอยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดี ท, ที่ไม่ได้มาก็ดีถ้าทำผิดกันด้วยกายกับกรรสามกิจกรรมสี่มโนกรรมสามมาแต่ในพวกก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้ า, ท, ท, า, นนาทุกท่านตจโลกา จงให้อภัยแก่กันและกันอยู่ทุกวันไม่มีประมาณผลทุกขท้ายดเดยร์เราพุทธศาสนาธรรมสาสราศาสนาสาทั้งศาสนาเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในมวาระพุทธศาสนาของพระสัมมาสมัพุทธเจ้าอยู่ทุกวันไม่มีประมาณจนถึงที่สุดทุกข์โดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดลห่า ง, ง เ, เป็นเพียหินปรเมฆสมมิตตาว่าง ยะตาังตังกะมังสเยนะปาตีโซมังโรกังปพาเสตีภะมุโตกัจันติมาอภิวาทนาสีนิสิจังวาปิกาโนตารธมาวัันติอายโนสุขังระลังพุทโธมสมโเอาทโธมโสมโขพุทโธมสมโพุทโธมโพุทโธโสมโพุทโธโ มันทุกนวตาสงสา ร, รท่านน้อยขอยกายท่านหลายขายอยให้เวนย่านน้ำเกิดแก่เจ็บตายในวัตาสงสารอีกเลยสีมาเฮียนเวซาเค็ดหลาบว่ามันมเฮียนเวซาเพิ่นในาวตาสองสารเคร็ดหลาบเม่จากว่าเกิดแก่เจ็บตายในวตาสองสารอีกอย่าขัดสู้เพื่พ่าในวัยเห็มันดับเพิ่นนาวตาสองสารจะ เอาแล้วนอะมานี่ยนอะเ ป, ป็นชุกเป็นชุกแล้วนอบ้านเมืองและนะ้วนอเป็นุกเป็นชุกนอไม่ผะร้ายมันเลวัดดังก่าเอาเพื่อะนะอะไนระนะนะโอ้มันมันมันของไกล้วเนี่ยสามสมองอทอดว่าไปเนะี่ยอืมใกล้ใกล้วัดเพื่อในการวัน แก้วอาจารย์ทิ้งข้ อ, เ ค, อ, เ, อเครื่องกันเนาะปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารปัญหามาาลายปัญหาไม่หน่อยเดี๋ยวนึงเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารพ่นจากข้อหลงจากของจากใครพ่นจากข้อหลงจาของ เดี๋ยวนี้มันหลงก็หลงจะของเยมันหลงจะของเลยมันหลงมาแกมาแกมาถ่ายแล้วว่าตาท่งสารมันหลงว่าเห็นทุกขมันหลงมาเป็นทุกขเห็นควดบมันบะเทียงมันมาเป็นของมันของเทียงเห็นของบมเมนตัวตนมันมาเป็นของตัวตนเห็นของบพสวยเพราะงามมันบรญญัิว่าสวยว่างามเออมันหลงดูซีขอวิปัญลาสกะอวิปัรญา รู้ทำเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยลุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงด้วยปฏิจบันนักเกตปัจจุบันธรรมอันใดที่รู้ทำเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลดท้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือมีความประสงค์อันนั้นแปดหมื่นสี่พระธรรมมขันย่นลงมาในปัจจบันนักเกตปัจจุบันธรรมสิญย่นยมาเป็นเอกศิญในปัจจุบันสมาธิ ย่นลงมาเป็นสมาธิในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงในปัจจุบันอยู่ทุกมเมลนั่นนั่นถ้าว่าในใจโลกธาตุมันมีสุขปัญหามันก็มาก ถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าในพระไตรโลกธาตุมีแต่ทุกข์เลยมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาใดๆในโลกลวนอนิจจังใดๆในโลกลวนทุกขังใดๆในโลกลวนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนะทั้งอดีตอนาคตแล้วปัญหามันไม่มีมากกันเมื่อปัญหาไม่มีมากความเทวทยานก็ไม่มีมากความรู้ตามเป็นจริงก็ไม่ต้องมากรู้อันเดียวก็รู้หมดถ้าไม่รู้อันเดียวก็ไม่รู้หมดถ้าหลงอันเดียวก็ต้องหลงหมด ถ้าหลงปัจจุบันอดีตอนาคตก็หลงเหมือนกันสรู้ตามเป็นจริงของปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่ต้องหลงรู้ตามเป็นจริงของสังขาร<ม>เกิดขึ้นหน้ากาแฟพวงแลแ่แจกสายเท่านั้นลูกไม้ของโลกมันมีเพียงเท่านั้นนัดนัดนัด阿拉ทีนี่ไปผู้ท ooth โทมโ่สังโกร้ระ阿拉เมหลานผู้ท o o ั h โม่สังโก้ผู้ท o o t โทมสังโก้ผู้ท o o t โมสังโกให้คาทุกข์นวตาสสารยังมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกเลยเออ ยา่าเป็นขี่คากินขี่คาขียก็นี่เออผ่านางวัถแนแหละรถแต่ผ่านตำแหน่งว่าและเจาะเพชดินเจาะเพชรฝ่าเจาะเพชรน้ำเจาะเพชรไฟเจากเพชรร่มก็เลยเป็นเมื่อวานานนี้เออนี่นี่นี่มม า, มานับมุ่นคาสามายบุก็ถากมาว่าเอามุนคาไปไว้สามาวนําไปสจะบอกนู่ม่อเอมาเลยมั้ อืม mm hmm.